สมมุติว่าเราทดสอบได้ข้อแท้จริงชนิดนี้ออกมาแต่ถึงกระนั้นก็อย่าเชื่อทุกครั้งเพราะคนทรงอาจจะเสื่อมได้และข้อที่ควรระวังอย่างมากที่สุดก็คือคนทรงส่วนมากเมื่อเข้าทรงบ่อยๆก็จะติดเหมือนถูกอัดไว้ด้วยเทปกล่าวคือในจิตไร้สํานึกจะมีอำนาจจิตของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงฝั ง, ฝงอยู่โดยไม่รู้สึกตัว